ทุกชาวิสัญญานับ ก, กับท่นนานหลวงตานรลงศักดิ์ขีนาและโยมต่อโกงกรมโกงเวียนย่างทีดีที่สถามอย่างนี้ค่ะตาว่าสมมติว่าคนเนี่ยหคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยทำกรรมเนี่ยมมีมากกว่าหนึ่งรายการมมีเป็นร้อยๆธรรมๆรายการ ก็กำเนียรที่หลวงตาบอกเนี่ยฟางบางรายการเนี่ยมากน้อยเนี่ยหรือบางรายการที่หลวงตาบอกว่ามันแก้ไม่ได้มันไม่ยอมอย่างเงี้ยแล้วอะไรมันจะมาตามแล้วเราควรจะปฏิบัติยังไงแล้วก็แล้วก็เหมือนกับคนที่มาไอ้เจ้ากรรมที่มาตามเนี่ยเขามาตามเพราะว่าเขาเขาเขาอยาก จะได้ไม่ถึงว่าทวงคืนแล้วตัวเขาจะไม่มีกรรมต่อเนื่องไปอีกเหรอจากที่เขาทวงคืนไปอย่างเงี้ยก็แนนเนี่ก็เรียกว่ากงกรรมโกง เ, เวียนเหมือนเวียนวนเนี่ยเขาก็ทําเราได้พอไปเกิดในชาติต่างๆกันก็เราก็กลับไปทําเขาอีกแล้วก็กลับมาทํำเราอีกก็แต่ละชาติก็สลับกันเหมือนกับเออเรื่องที่ว่าเมียหลวงข้าเมียน้อยอ่ะเมียหลวงเาอายาพิษให้เมียน้อยกินแล้วก็ลูกในท้องของเมียน้อยก็ตาย พอเมียน้อยตายรู้ว่าเมียหลวงอ่ะเอายาพิษแม่ใส่อาหารใม่กินเมียน้อยก็เลยอธิษฐานปลุกเจเจมาฆ่าพยาบาทไปก็พอตายไปไอเมียน้อยก็ไปเกิดเป็นไปเกิดเป็นแมวต่อมาเมียหลวงตายก็ไปเกิดเป็นไก่แล้วก็แมวก็เลยมาฆ่าลูกไก่แล้วก็ฆ่าฆ่าแม่ไก่ตายไอแม่ไก่เนี่ยมันสู้แมวไม่ได้ มันก็เลยผูกใจเจ็บปาฆ่าปัญาบาดแมวในสัตวได้ฉาญกันมันก็ผูกใจเจ็บปาฆ่าปัญาบาดตอนเราไปฆ่าเขามันก็ผูกใจเจ็บปากฆาปัญาบาดเราเพราะว่ามันสู้เราไม่ได้ไงแต่มันอ่ะตั้งใจว่าชาติต่อไปขอได้ฆ่าเรามันก็ได้ฆ่าเราสมใจนึกเพราะเป็นผลของกรรมอ่ะกรรมเนี้ยมันจะทําให้ผู้ที่ถูกฆ่าเนี่ยคือผู้ที่เขาเป็นเป็นเจ้ากรรมในเวนเนี่ยเขาไม่มีอํานาจมากกว่าอย่างเมียหลวงมันฆ่าเมียน้อยเมียน้อยมันเป็นเจ้ากรรมในเวนมันก็เลยมีอํานาจ ทางกรรมเหนือกว่าก็เลยไปเกิดเป็นแมวที่แมวซึ่งมันมีอํานาจมากกว่าไก่ส่วนแม่หลัวมันเกิดเป็นไก่พอแม่ไก่คลอดลูกออกมาแมวก็มาฆ่าลูกไก่และฆ่าแม่ไก่กินไอ้แม่ไก่เนี่ยมันก็เอาฆ่าปิยบาทแมวพอความเอาค่าปิยบาทเนี่ยชาติต่อไปเนี่ยแมวก็ไปเกิดเป็นเสือไอไก่ก็ไปเกิดเป็นเสือไอแมวสลับกันเพราะว่ามัน มันกงกรรมกงเคลื่นหมุนเวียนวนมันทําให้ไอ้เจ้ากรรมในเวนเนี่ยมันไปเกิดแล้วมีอํานาจมีฤทธิ์มากกว่าเพราะฉะนันไอ้ไอ้แมวก็เลยไปไอ้ไก่เนี่ยตายก่อนรวมแนวฆ่าไปเกิดไปเกิดเป็นเสือไก่ไปเกิดเป็นเสื อ, อ, าาสอแต่้แมวไปเกิดเป็นกวางแล้วมาเจอกันได้ผลของกรรมกวางมันก็เลยคลอดลูกออกมาเสือมันก็เลยมากินลูกกวางแล้วก็กินแม่กวางตายไอ้กวางมันก็เลยอาฆาตพยาบาท ฆ่าพยาบาทได้เสือมันจะวนเวียนอยู่อย่างนี้นะเขาจึงไม่ให้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่พระพุทธเจ้าจึงห้ามเด็ดขาดเลยเพราะว่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์ตน้อยเนี่ยมันฆ่าพยาบาทได้หมดแหละแต่เพียงแต่มันไปเกิดในร่างที่ต่างกันตัวมันเล็กเกิดหรือตัวเล็กหรือตัวใหญ่แต่ความมาฆ่าพยาบาทมันเท่ากันมันสู้เราไม่ได้เราไปฆ่ามันมันสู้เราไม่ได้แต่มันตั้งใจจะฆ่าเราได้เพราะในชาติต่อไปมันจะกลับมาฆ่าเรา มันจะวนอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ากงกรำโกงเวียนหมุนเวียนวนสลับกันจะสลับกันไปอย่างนี้เนี่ยวันนี้พอมันแล้วแต่ว่ามันมันมันมันเกิดมาในแต่ละชาติมันจะเป็นอะไรต่อกันสมมติเราเกิดมาเป็นคนแต่มันเกิดมาเป็นในภูมิปัญญาเป็นผีเป็นเป็นโอปต์เป็นพวกผีเป็นพวกเปรตไงแต่มันก็ตามหลังควาเราได้จัดการเราได้เหมือนกันเวลาพวกขี่มอเตอร์ไซค์ไปอ่ะไอพวกผีเนี่ยหรเจ้ากรรในเวีนเนี่ยมันจะมาซ้อนมอเตอร์ไซค์พาไปแล้วก็พาไอเนี่ยไปตาย หรืเรานั่งรถไปเนี่ยเราขับรถไปคนเดียวบางทีมันก็มีไอ้เจ้ากรนาเวมันมันนั่งอยู่ในในในนั่งบบาในนั่งบบาหลังมันพาไปด้วยถ้าไปอย่างเงี้ยเห็นอย่างเงี้ยตายอย่างเงี้ยแล้วมันก็มันก็เนี่ยพอมันมันเอเราตายได้ต่อไปเราก็ไปฆ่ามันแล้วแต่ว่ามันจะไปเกิดเป็นอะไรแล้วเราไปเกิดเป็นอะไรแต่เราต้องมีอำนาจเหนือมันสลับกันเงี้ยพอไปฆ่ามันต่อไปเราก็มีอำนาจน้อยกว่ามันมันก็ฆ่าเราสลับกันไม่มีไม่มีที่จบสิ้น แล้วถ้าเกสมมติว่าคู่กรมีเนี่ยปฏิบัติแล้วก็หลุดพ้นออกจากวงจรนี้ออกไปแล้วแล้ ว, ลวอีกข้างหนึ่งที่เหลือก็อทําอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยถูกับฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งเนะ่ะจะปฏิบัติบรรลุไปรู้ไปถึงอราหารันหรือไปรู้สู่ธรรมาธาตุหรือนิพพานาธาตุซึ่เป็นาธาตุว่างเปล่าเช่นเดียวกับจักรวาลนนะี่ยมันก็หายตัวไปเลยไม่มีใครหาเจอ mm hmm. พวกที่โยมทูตโยมบาลก็หาตัวไม่เจอก็มาเอาไปไม่ได้เอาไปลงโทษก็ไม่ได้ไอ้เจกรรมในเวงก็เอาไป ม า, าไปลงโทษไม่ได้มันก็ เ, เลยหมดหมดหมดไปเรียกว่าโมฆะกรมม ร, กรมแต่บุญก็หมดบุญก็ให้ผลไม่ได้เหนั่นกันเมื่อจะบาปอย่างเดียว<ม>บุญทําไว้เท่าไหร่ก็จบไปอมาถึงว่าที่เกิดปฏิบฏัติดีปฏิบัติชอบมามาถึงเวลาปุ๊บที่หลุดออกไปแล้วทั้งที่เป็นบวกหรือเป็นลบ ก, ก็ศูนย์หมดใช่ใช่ถูกต้องอเรียกว่า น, นิพานังปรามังศูนย์อย่างอ่ศูนย์หมดนะศูนย์ทุกดวงศูนย์กรรมเวียนว่ายตายเกิดด้วย ศูย์ศูนย์ทั้งทั้งบวกทั้งลบคือฝ่ายดีฝ่ายฝ่ายบุญฝ่ายบาปนั้นคนที่เกิดมาแล้วอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยก็คือว่ามีส่วนร่วมปฏิบัติกันมาตั้งแต่ชาติก่อนด้ว ย, ยนีใช่ไหมคะหมายคมว่าเอออย่างเรามาเป็นสามีภรรยากันอย่างเงี้ยจากที่เราสังเกตเ อ, อย่างอย่า ง, งเรามาเป็นสามีภรรยากันเนี้ยเท่าที่เราสังเกตดู อยากสมมติว่าถ้านะเราเราไม่ได้ปรารถนาความพ้นทุกข์อ่ะอันนี้ก็มันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อเราคนอื่นเราจะบอกไว้ก็ได้เท่าที่เราสังเกตเห็นนะคืออย่างเราเป็นตั้งแต่เกิดตาเป็นเด็กถ้าโตขึ้นจะต้องมีครอบครัวอยู่แล้วใช่ไหมไม่ว่าจะเด็กหนุ่มเด็กสาวถ้าเขาละ บ, บาปนะไม่ทําผิดศีลห้าแล้วก็หมั่นคุณทาคุณงามความดีทานศีลภาวนาแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติธรรมนะ แล้วก็ขยันเราเรียนเขียนอนน่านในทางโลกก็ต้องขยันในทางโลกด้วยเวลาใจเขาเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยเขละบาปแล้วใจบุญกุศลเนี่ยเวยลาเข้ามาเจอเจอกับคู่คู่ของเขาเนี่ยแต่ละคนนี่มันมีคู่มามีคู่กันมาก่อนเยอะแยะมากมายหลายหลยอย่างสมมตว่าเราเราเกิดเป็นสัตว์ในฉันแต่ละ ช, ชาติใช่ไหมเราเกิดมาโอ้ไม่รู้ไม่รู้กี่กี่ร้อยกี่ล้านชาติเพราะว่ากระดูกเราเนี่ย ที่ตายเกิดเกิตายตายเกิดเกิดตายในร่างต่างๆเนี่ยพุทธเจ้าตัดว่ากระดูกเราคนเดียวนะกองท้าภูเขาใหญ่ๆเลยของคนเราคนเดียวเนี่ยกองเอามารวมกันนะกองท่าภูเขาใหญ่ๆเลยแล้วเกิดตายตายเกิดเนี่ยหลายพบหลายชาติเป็นอนาฏการพอเวลาเราไปเกิดเป็นสัตว์ในฉานไม่ต้องเราสังเกตดูแค่ชาติเดียวเราดูที่เวลาเราไปเห็นในสุนัขเนี่ยเดี๋ยวมันก็ผสมพันธุ์กับตัวนู้เดี๋ยวก็ผสมพันธุ์กับตัวนี้เดี๋ยวก็ผสมพันธุ์กับตัวนั้น ทังตัวผู้ตัวเมียมันผสมพันธ์ไม่รู้กี่ตัวกี่ตัวก็มันจะตายเราไปดูอย่างไก่ไก่เนี่ยเดี๋ยวก็ไอตัวน้อวิ่งมาผสมพันธ์กับตัวนั้นไอเดงวิ่งประสมพันธ์กับตัวนั้นมากมายกี่ตัวไม่รู้กี่ตัวแต่กี่ตัวแล้วใครอะไรคือตัวไอที่เกิดมาในชาตินี้เรามาเจอกันเป็นคู่ครองกันมันจะต้องมีตัวหนึ่งในตัวนั้นเนี่ยและแต่ละชาติแต่ละชาต like ิมันก็มีไม่รู้กี่ตัวและไอตัวไหนที่มาเป็นคู่ครองกันตัวนั้นตอนนี้ไอตัวที่มาหลอเป็นคู่ครองเนี่ย มันก็คงจะมีหลายตัวที่หลุดอรอดเด็จมาเป็นประเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกับเราเพราะเราเกิดมาหลายล้านล้านล้าชาติมันเลยจะมีสักตัวนึ่งที่ที่หลายตัวที่มาเกิดเป็นมนุษย์คู่กับเราแต่มันก็เคยแต่ละชาติก็เคยเป็นคู่ครองกันมาบางทีก็ผสมพันธุ์กัมมนมนุษย์กี่ตัวกี่ตัวกี่ตัวามากมายทั้งคู่ครองเ่ตอนไปเกิดเป็นคนก็ร่วมกันทําบาปกรรมหรือร่วมกันสร้างบุญกุศลมันก็แล้วแต่ว่า บางไปเกิดบางชาติก็ไปร่วมทําบาปกรรมด้วยกันทําบาปทำกรรมด้วยกันด้วยอาชีพเพื่อมีเช่นว่าเป็นอาชีพชาวประมงด้วยกันอย่างเงี้ยก็ร่วมทําบาปทากรรมด้วยกันหรืออาชีพฆ่าสัตว์ขายด้วยกันเนี่ยก็กิ น, นกจจอยู่ใช้สอยด้วยกันในบ้านเดียวกันอย่างเง้ยมันก็เป็นร่วมทําบาปกรรมด้วยกันมาไอ้นี่ก็มีโอกาสมาเจอคู่กรรมเลยหรือจะเจอคู่บุญล่ะคู่บุญที่เคยร่วมสร้างบุคคลสวยกันมาอย่างเช่นว่า อยากเป็นคู่ที่พากันมาเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมละบาปไม่ติดสี่ห้าแล้วก็ให้ทานรักษาสีทํากุศงามความดีแล้วก็ปฏิบัติําหรับจิตใจของตนให้ให้ให้สะอาดปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองพากันมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมฝังธรรมนี่ก็เรียกว่าคู่บุญคือมันครทั้งคู่ก็ไม่ทําบาปกรรมแล้วก็มันทํากุศงามความดีและพากันประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งคู่เรียกว่าคู่บุญ ตอนี้แต่ละชาติแต่ละชาติก็มีทั้งคู่คู่คู่ทำบาปกรรมทั้งคู่ที่คู่บุญเนี่ยคู่บาปคู่บุญคู่บาปคู่บุญเน่ยเยอะตอนที่เราสังเกตดูข้าตั้งแต่เป็นเด็กเนี่ยแล้วไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมไม่สนใจทำเวลาแต่ที่จริงเนี่ยที่เขาไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาเข้ามาท้องเข้ามาเข้าท้องของพ่อแม่ที่ไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยอันนั้นนี่ยเข้ามาได้แรงบาปอยู่แล้ว มันเข้ามาเข้าท้องของพ่อแม่ที่ไม่สนใจทําไม่ปฏิบัติธรรมพิสแสบนั้นและลูกคนนี้มันมาเข้าท้องของพ่อแม่คนเนี้มันมาโดยที่มันเองก็ประครับตัวมันเองไม่ได้มาได้บุญแล้วบาปกรรมดีกรรมเชื่อพาจบผลมาแล้วมาเข้าท้องของพ่อแม่คนที่ที่ทําบาปกรรมไม่ได้เป็นพ่อแม่ที่ทำบุญนเดศีลพ่อแม่ที่เป็นชาประมงหรือว่าพ่อแม่ที่หาลีชีวิตเดียวกันฆ่าสัตว์ีชีวิตเย่านี้ หรือพ่อแม่ค้าขายยาเสพติดค้าขายเหล้าผลิตเหล้าเนี่ยหรือว่าค้าสัตว์เนี่ยพ่อที่พ่อแม่ผลิตค้าไก่ขายอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นบาปกรรมที่ตกมาถึงถึงลูกถึหลานกันตัวเองตอ่อไปตัวนี้ไอ้พวกนี้ยที่มาเกิดอยู่ในครอบครัวเขาก็ไปรับผลของกรรมอันอนะี้และโอ้มันเลือกไปได้บาปกรรมตกมาครอบครัวนี้แล้วตัวเขาเกิดมาแล้วเขาก็เลยไปไปรู้จักบุญบาปกรรมดีกรรมชั่วพอเจ้าตัวเนี่ยมันไม่ได้ทา ทำจะบาป ก, กรรมบุคคลก็ไม่ทําไม่เคยพ่อแม่ก็ไม่ได้พาเข้าวัดเข้าหาครูบาอาจารย์มาเพืปฏิบัติธรรมเวลาได้คู่ครองเนี่ยมันจะได้คู่ครองที่เสมอกันคือจะได้คู่ครองที่เป็นคู่กรรมมันมาก่อน ค, คู่ที่สร้างบาปกรรมมันมาก่อนแล้วสิ่งที่มันตามมาเยอะมากเลยคือชีวิตครอบครัวมีแต่ทุกข์กับทุกข์ทุกข์กับทุกข์เพราะเป็นคู่บาป ก, กรามมันมีแต่ทุกข์กับทุกเวลาลูกที่มาเกิด มันก็เป็นลูกที่มาจากนรกมาจากก่อไจาฌานเปตอสุรกายมาันเป็นลูกที่มาจากที่ต่ํามาเกิดมาจากอบายเพราะลูกที่มามีบุญกุศลมันก็ ม, นมาเข้าท้องไอ้พ่อแม่ที่เป็นบาปเปิตกรรมตอนเนี้พอมีลูกที่มันมาจากนรกมาจากบาปกรรมมาเกิดพ่อแม่ที่เคยร่วมสร้างกรรมด้วยกันมามพืจะมาเข้าท้องกันได้เพราะว่าเช่นยินที่เราบอกอคือเราไป ม, มีส่วนยินดี หรืร่วมใช้ร่วมเริ่มกินร่วมเสพกับในการที่เขาก็ทําบาปกรรมในชาติ ก, ก่อนๆมาก็มาเกิดเข้าท้องกันเพราะพอมาเกิดเข้าท้องกันแล้วเนี่ยมันก็เลยสุดท้ายเนี่ยทําไงอะ่ะทั้งผัวทั้งเมียที่เป็นคู่บาปกรรมกันก็เป็นทุกข์ว่าลูกเป็นลูกที่บาปกรรมมาเกิดก็โหมพาให้ให้ทุกข์ยากลำบากทําให้ทุกข์ยากลำบากมันก็เลยทุกข์แสนสาหัสไปเรื่อยๆจนจนกว่าจะตายแล้วเนี่ยคือ ความจริงเนี่ยมันเป็นเหตุที่ยาวมาตั้งแต่ตั้งแต่ต้นนู่นเลยตั้งแต่พ่อแม่เลยและไอพ่อแม่ก็ลายบีก็ตั้งแต่ปู่ย่าตายายด้วยเนี่ยที่ไม่ได้พานนําพามาแต่ไอ ต, ตั้งแต่พ่อแม่ก็ไปเข้าท้องของไอปู่ย่าตายายที่ไม่ได้เป็นธรรมแล้วก็มารุ่นเราก็ไม่ปฏิบัติธรรมไม่เป็นธรรมไอลูกลูกเราก็มาไม่ไม่เป็นธรรมไม่ปฏิบัติธรรมไอุ่นหลานเราก็เป็นลูกไม่ไม่ปฏิบัติธรรมไม่เป็นธรรมมันเลยโอ้โห oh, ความทุกข์เนี่ยมันมันเป็นตระกูลนะความทุกข์นี่ยเป็นข้างตระกูลนี่เนะมันเป็นอย่างี้เนี่ย เมื่อตระกูลใดมันเป็นธรรมเนี่ยมันเป็นธรรมต้นตระกูลเป็นธรรมใช่ไหมเขาก็เจอคู่ครองที่เป็นธรรมเพราะว่าเขาปฏิบัติธรรมเนี่ยพ่อแม่นําพาเข้าวัดปฏิบัติธรรมทนใจธรรมบุญให้ทานไม้ทําผิดศีลห้าเป็นธรรมมาแต่เด็กแล้วพอมาเจอคู่ครองเนี่ยเขาก็ได้คู่ครองที่เป็นคู่บุญกันคู่บุญที่เกิดสร้างคุณส่วนฝับุญมีคุณงามความดีไม่ได้กันพอเจอคู่บุญชีวิตมันก็ ถึงแม้จะทะเลาะกันบ้างตามภาษาของโลกแต่มันก็ยังมีความสุขกว่าคู่อื่นแล้วเวลาพอได้ลูกออกมาเนี่ยมันก็จะไม่เป็นลูกที่มาจากนรกมาเกิดจะเป็นลูกที่มาจากสวรรค์มาเกิดอ่าเป็นลูกที่มาจากสวรรค์มาเกิดและแต่ว่าพ่อแม่มีบุญกุศตบุญมามีคุณงามความดีขนาดไหนก็จะได้ลูกที่มาจากสวรรค์ชั้นสูงมาเกิดมันก็สบายแต่ถ้าลูกเนี่ยมีบุญกุศลสูงมาก มาจากสวรรค์ชั้นสูงมากคือลูกที่ส่้าเคยสร้างบา ร, รมีมาระดับเป็นพษษ่อโพธิสัตว์หรือระดับระดับเป็นเซียนมาเนี่ยแต่พ่อแม่เนี่ยไม่มีบุญบา ร, รมีรองรับได้เนี่ยมันก็จะแทงไปคือมันบุญมาบุญที่มาเข้าท้องไม่เสมอกันคือท้องเนี่ยไม่ไม่ไม่ไม่ไมไมไมไมบริสุทธิ์พอที่จะรองรับระดับนั้นได้ก็เออเสียไปแล้วก็จะเสียไปแทงไปเอาไม่อยู่แทงไป หรือว่าเอาพ่อแม่มีบุญมากลูกที่มาเกิดมีบาป ก, กรรมมากบุญบา ร, รมีไม่ไม่พอพ่อแม่ถึงแม้จะมาให้โทษให้โทษเขาไม่ได้เพราะว่าเขามีบุญมากก็แทงแต่เหมือนกันเราเคยเห็นเหมือนกันแบบว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นผู้ศึกษาทั้งคู่แล้วเขากิตใจดีงามทั้งคู่ เขาอยากมีลูกก็เลยไปขับรถผ่านทางก็ไปไปแยกลาบเจดีขอลูกมาจากเจดีแต่ไอที่เข้าท้องเขามาเนี่ยมันกลายเป็นวิญญาณที่ชั่วร้ายที่มันเล่ร่อนอยู่แถวนั้นน่ะมันกระโดดเข้าท้องเข้ามามันอาจจะเป็นคู่กรรมเขาก็ได้มาเลยสามารถเข้ามาในท้องเขาได้พอก็กลับมาถึงที่ทํางานเนี่ะปรากฏ ว, ว่าไอวิญญาณนี้มันติดท้องมาแล้วเขาท้องท้องก็เพราะวิญญาณเนี่ยมันเป็นวิญญาณไอวิญญาณของนเนี่ยมันเข้าท้อง ผข้ามาใจให้เขาประพฤติปฏิบัติทำอย่างเดียวเร่งเร่งสวดมนต์ไหวพาประพฤติปฏิบัติทำต้องหัวท่องเดียเร่งตลอดเวลาเลยไม่ให้เว้นเพว่าผีมันเข้าท้องมาแล้วไม่ชาเขาก็เลยแฉกไปพอท้องเขาสะอาดแล้วหัวเมียก็เร่งประพฤติปฏิบัติทมคำุณงามความดีต่อไปเด็กที่มาเกิดใหม่วิญญาณที่มาเกิดใหม่ก็มาจากสว่างเจ้นสูงอันนี้ก็ลองรับได้เพราะก็ไม่รู้ ที่ดีได้เนี่ยมันเป็นไอ้ตรงนี้คนทั้งหลายไม่เข้าใจเราะฉั้นถ้าอยากจะมีคู่ครองที่สรุปแล้วคือถ้าอยากจะมีคู่ครองที่เป็นคู่บุญดีๆตั้งแต่เด็กมันก็ต้องมาพุทธปฏิบัติธรรมละไม่ผิดศีลห้าไม่ผิดศีลห้าแล้วคิดดีพูดดีทําดีแล้วก็มาพุทธปฏิบททัติธรรมตามหลัำกธรรมคาสอนในศีลสมาธิปัญญามันก็จะเจอคู่บุญก็จะเจอคู่บุญคู่บุญบา ร, ร ม, รรมีการที่เคยสร้างสมกันมา เนี้คู่เราแต่ละคู่เนี่ยมันเยอะมากก็ตอนที่เราเกิดเป็นสัตว์ในฉานดูสิเกิดเป็นหมาเนี่ยพูดมันเยอะแยะไปไม่รู้กี่คู่ต่วกี่ตัวตัวกี่ตัวแล้วตัวไหนมันมาเกิดเป็นเป็นคู่ครองเราในชาติเนี้เพราะเกิดแล้วมันก็ลุ่มหลงกันหัวปักหัวปามร้องโหมร้องไห้กันดูสิจริงๆอะคู่มันไม่รู้ต้องกี่คู่เมื่อสมัยก่อนเราเป็นคารวะแล้วเคยบอกว่าไอ้หนูอย่าไปอเนี่ยไอย่าไปอย่าไปเอานัอีกสองปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเจอผู้ชายผมหยิกหับโศกจบวิศวะมาไอ้นี่นะคู่กรรมคู่บาปกรรม และผัดไปอีกปีจะเจอคู่บุญที่อายุมากหน่อยแล้วก็หัวหัวหัวเถิเถิงหน่อยอันนั้นคือคู่บุญที่ น, ก, น ก, ก, กเป็นนกชีม้าเป็นไม้หรือจะมีแต่วความสุขเพราะสองปีต่อมาเป๊ะเลยเจอคนนั้นเป๊ะเลยเหมือนเดะทุกอย่างเลยแต่เขาบอกว่าคือคนเนี้ยคือคนในฝันเลยแล้วก็เอาคนเนี้ยเราก็พยายามไปห้ามห้ามห้ามบอกว่าถ้าทนอีกปีนึงจะได้คู่คู่คู่คบุญนะแล้วว่าเขามากๆเขาบอกว่าจะ ย, ยุ่งกับเขาได้ไหม เขาเนี่ยยอมรับผิดชอบในการตัดสินใจของเขาเองถ้าเขาทุกข์อย่างไรเขาจะไม่เสียใจคือพูดง่ายหนูรักเขาแล้วเอาก็เอ า, เอาตามใจว่าแล้วไม่เชื่อ ก, ก็ก็ตามใจนะสุดท้ายพอแต่งงานเนี่ยตระกูลผู้ชายก็ใหญ่โตตระกูลผู้หญิงก็มีหน้ามีตาสมรถพระราชทานจับใหญ่โตพอแต่งงานแล้วผู้ชายปรากฏผู้ชายมีเมีย ม, ม, มีลูกแล้ว คุกแสนสาหัสทั้งตัวเองทั้งปกปิดพ่อแม่ไม่ให้รู้อยู่นานหลายปีจนทนไม่ได้จะตายจะจะเข้าจะตายไม่รู้กี่รอบ ต, อต้องเลิกกันแล้วก็พอพอมันข้ามไปหลายปีแล้วไอปีต่อมาที่จะได้คูบุญก็ไม่ได้แล้วเนี่ยเรามองเห็นพวกเนี้กระจาแก่ใจเราเลยเราจึงเห็นว่าโอ้โหไอเรื่องเนี้ยไม่ต้องเชื่อ ตามหนังสือเลยมันเป็นเรื่องจริงอย่างที่เราพูดนี่เลยมันคนที่จะเจอคู่ที่ดีคู่คูบุญกุศลเนี่ยมันก็ต้องสร้างบุญกุศลมาแต่เด็กรับบาปบําเพ็ญบุญมาแล้วก็พุทปฏิบัติในในสมาธิในภาวนาตามหลักธรรมคาสอนพระเจ้ามาปฏิบัติที่ถูกต้องนะมันก็จะ ไ, ได้เกิดบุญกุศลที่ดีปดีเส็แล้วลูกหลานออกมามันก็เป็นคู่บุญบา ร, รมีมาเกิดมันก็เป็นตระกูลที่ที่ดีไปเรื่อยร่ำรวยไปเรื่อยยิ่งใหญ่ไปเรื่อยเนี่ย เพราะว่ามันมาจากคนที่มีบุญบา ร, รมีมากอะมาเป็นลูกที่ในพระโพธิสัตว์มาเกิดอย่างเงี้ยลูกที่เป็นสร้างบา ร, รมีระดับเตียนมาเกิดแล้วเนี่ยโอโหท่ทีมันตระกูลนี่มันก็ยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยแหละนี่แต่คนไม่รู้ความรับอันเนี้แล้วเลยเกิดมาในชีวิตเนี่ยมันมีพ่อแม่นำพาไงไม่มีพ่อแม่นําพาใ ห, ให้ให้อย่าผิดศีลผิดธรรมให้ให้พาเข้าวัดพาเข้าหาครูบาอาจารย์ไอ้เด็กมันคุ้นเคยไงพอมันเข้าหาครูบาอาจารย์เด็กมันกคุ้นเคย เวลวมันมีความทุกข์ไม่สบายใจมันก็มาหาแล้วไ ม, ไม่สบายใจก็มาหาครูบาอาจารย์ไปเรียนถึงเมื่อนอกมันโทรสับนะไม่สบายใจแต่จะโทรสับไปหาพ่อแม่มันแล้วก็โทรสับมาหาเราเนี่ยเพราะเด็กมันคุ้นเคยกันเนี่ยพรุทธเจ้าจึงบอกว่าความคุ้นเคยเนี่ยกับพยาสงเนี่ยมันเป็นเป็นมงคลเพราะอะไรตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยให้พรแก่คนทั้งหมดเลยแต่ไม่ได้ให้พรแก่ลูกของพราม อายุวโนสุ ข, ขังพลังอายุวโนสุ ข, ขังพลังแต่ลูกของพรามไม่ให้เพราะว่าพูทเจ้าข้ามมแต่คนอื่นให้หมดเลยอายุวโนสุ ข, ขังพลังของอายุยืนนะในความสุขอายุยืนแต่พอถึงลูกของพราม์ข้ามเลยพรามก็สงสัยแล้วไปแอบถามพระอานนเอาอุปถากว่าทําไมพุทธเจ้าจึงไม่ให้พอลูกให้ให้หมดเลยแต่ลูกของตัเองข้ามแต่เนื่องจากว่าพรามเนี่ยดูแลอุปถาพุทธเจ้ามานานและพาเด็กคนเนี้ย มาคุ้นเคยกับพระเจ้าอยู่บ่อยๆกับกับพระอานุ์พระอุปถนะัมภ์เนี่ยอยู่บ่อยๆมันจะเกิดความคุ้นเคยเลยเลยเกิดความอยากช่วยเหลือพระอนุนก็นเลยถามพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าเหตุเหตุที่ไม่ให้พรเด็กคนเนี้เพราะว่าอีกเจ็ดวันเด็กคนนี้จะตายจึงไม่ให้พรโอ้ยพราหมณ์ก็อ้อนวอนใหญ่เลยความคุ้นเคยอะความคุ้นเคยที่มีต่อกันอะทั้งแม่ทั้งทั้งพ่อทั้งลูกคุ้นเคยเพราะว่ามีลูกชายคนเดียว ช่วยชวยม่อมฉันด้วยช่วยม่อมฉันด้ว ย, ว ย, ม อ, มวยอย่าให้ลูกม่อมฉันตายเลยมีลูกคนเดียวความคุ้นเคยกันเป็นมงคลอย่างยิ่งพระเจ้าเลยตัดสินใจส่งพระอาลานไปล้อมไว้ให้สวดมนต์สวดมนต์ในในบทที่พระเจ้าให้ไปมนต์ที่พระเจ้าประทานก็ที่พระเจ้าอนุญาตให้สวดกันเนี่ยก็คือมนต์ที่เกี่ยวกับะปะัปปาริทที่อยู่ในหนังสือสวดมนต์ปัปปาริททั้งบนเลยนะเอเอก็ไปสวด ก็สรวจตลอดต่อเนื่องมีพระหลานหมุนเวียนไปตรวจตลอดไม่ให้ไม่ให้ขาดวักขาดตอนล้อมไว้ล้อมเด็กไว้ให้จบกลางพอวันที่เจ็ดพระพุทธเจ้าก็มาเองเสด็จมาเองมาตรวจเองพวกที่เอ๋่ยจะมาอาวิญญาณเด็กไปอ่ะมาเป้าต้องเจ็ดวันแล้วเอาไปไม่ได้พนท้ายต้องกลับไปพอหมดเวลาแล้วก็เลยกลับไปเด็กก็เลยรอดตอดตายพระเจ้าจิตัดเรื่องนี้ไว้ไงว่ า, า, วาความคุ้นเคยอ่ะ กับพระเรียสงเนี่ยเป็นมงคลอย่างยิ่งครเพราะงั้นการที่พ่อแม่เนี่ยมีบุญบุศลฉลาดละบาปพ่อแม่ก็ละบาปไม่ผิดศีลห้ามาเป็นแต่คุณงามความดีคิดดีพูดดีทำดีทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านพาตในให้พ้นทุกข์ช่วยเหลือผู้อื่นอื่นแล้วก็มันคุ้นเคยพาเด็กเราก็ขยันสวดมนต์ไหว้พระขยันสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิเดินจงกรมภาวานาเด็กมันอยู่ในท้องมันก็ได้ยินแหละอในท้องเนี่ย มันสัมผัสได้ถึงแม่แม่สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาจิตมาถึงจิตมันอยู่ในท้องเราเนี่ยมันก็สัมผัสได้พอเด็กมันโตขึ้นมาเอาแบ่บอกพ่อแม่ไปนัางสวดมนต์ไหว้พระเด็กมันก็แบ่อกอยู่ในอ่างพระมาได้กินเรตั้งแต่เด็กอะโตขึ้น่ะมันก็มองเห็นเนี่ยพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเดินโยกมพระพุทธปฏิบัติทรรไปหาครูบาอาจารย์ก็เอาแบ่อกไปวางข้างๆแล้วคุยกับครูบาอาจารย์นี่ไอเจ้าพวกนักแทงเนี่ยไอเจ้าเจเนี่ย แล้วก็ไอเจจี้ที่มาเนี่ ย, จยเจจีเนี่ยแม่มันเป็นเพื่อนกับเราเนี่ยพาไปวัดอยู่แต่วัดพวกนี้ไม่ได้ไปไหนเหราไม่ได้ไปเที่ยวไหนอยู่แต่วัดไปหาพ่อแม่ครูบ า, าอาจารย์อตวัดตั้งแต่เด็กมันก็เลยติดนิสัยมาติดนิสัยมาเนี่ยพวกนี้มันก็เลยพอโตขึ้นมันก็เลยเป็นบุญมันก็เลยไม่ไ ม, ไม่ทาผิดศีลผิดธรรมอะไรมันก็เลยเป็นบุญเป็นกุศลคิดดีพูดดีทาดีถึงทีจะพลาดไปบ้างอะไรบ้างนี่ก็กลับคืนมาได้ถ้พลาดไปบ้างอะไรบ้างก็กลับคืนมา กลับคเนเราเป็นดีเนี่ยมันเป็นความเคยคุ้นเคยกับพระเยส وع เวลาเนี่ยพอไปนานๆมีทุกข์มีลบากอะไรมัน ก, ก็กลับเข้ามาก็กลับมาครูบาอาจารย์มันก็ไม่ขาดว่าขาดตอนหรอกมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยไปนะี่ะแต่ถ้าถ้ามันมีบุญกุศลมากๆเลยเงี้ยจนกระทั่งมัน ม, นมีมีทางที่จะพลุกุกไปรู้วิพญาณไปเลยในชาติตาจุบันมันอาจจะไม่มีคู่ครองเลยเพราะว่าทั้งคู่บุญคู่บาปตามไม่ทันทั้งหมด ก็เลยต้องอยู่เป็นโสดไปอเจ้านัดเ่ก็เป็นโสดเล ย, ยเจ้านี่เจ้าจีเจ้าเจก็ เ, จเลยอยู่เป็นโสดไปบางคนนี่ก็พยายามจะมีเออพยายามจะไปมีนะเราก็บอกมีไม่ได้แล้วถึงพยายามจะไปมีนะมันก็มีไม่ได้มันมีอยู่แป๊บๆเดียวก็เลิกกันเพราะว่ามันเกิดมาเพื่อจะพ้นทุกข์ในปัจจุบันในชาติปัจจุบันถึงแม้พยายามจะไม่ ม, ไมีตามวัยตามตามวิสัยของของโลก แต่ทุกท่าน ม, มีก็ต้องละทิ้งไปและทิ้งสุดกงไปบวชไปบำเพ็ญเพียรปฏิบัติจนพ้นทุกไปเพราะว่าวัฒนามันเกิดมาเพื่ อ, อนิพนธ์ในชาตินั้นในชาติปัจจุบันไม่ได้ในชาติในชาติต่อไปเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นทางของมันเน่ยอย่างที่เราพูดเนี่ยในบุญบาบเนี่ยเหมือนกับเป็นความลับที่อะไรภาษาเขาพูดเ ล, เล่นว่าความลับสวรรค์ความลับส ว, วรรค์ น, นี่ยแต่ความจริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหนือกว่าความรู้ของผู้ที่รู้ไปได้หรอกตระแจ้งน่ะ Oh uh -huh.